คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการกำจัดความหลงความไม่รู้ต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความโลภความอยากน่าเกิดความทุกข์ตามมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอยาวนาน ได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้ความรู้ที่ถูกต้องได้ความเห็นที่ถูกต้องแล้วความหลงความไม่รู้ต่างๆก็จะหายไปความรู้ความอยา่าก็จะหายไปความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปธรรมะที่เราจะมาฟังกันในวันนี้ ก็คือขันห้าขันห้านี่คืออะไรคำว่าขันนี่แปลว่ากองหรือแปลว่าส่วนไม่ได้แปลว่าเป็นขันน้าหรือขันข้าวแต่เป็นแปลว่าเป็นกองหรือเป็นส่วนชีวิตของพวกเรานี่ ประกอบขึ้นด้วยขันห้าขันห้าคือส่วนประกอบของชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์ทุกคนนี้มีขันห้าด้วยกันเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่หรือจะเล็กจะงโง่หรือฉลาดจะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระพุทธเจ้า หรือเป็นปุถุชนธรรมดาล้วนมีขันห้าด้วยกันทุกคนขันห้าก็คือส่วนประกอบห้าอย่างห้าส่วนของชีวิตด้วยกันได้แก่หนึ่งรูปประขันสองเวทนาขันสสัญญาขัน สี่สังขารขันและห้าวิญญาณขันถ้าเราเรียกกันง่ายๆเขาเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรคือรูปรูปก็คือร่างกายที่เรามองเห็นกันอยู่นี้ร่างกายที่ประกอบด้วยอาการสามสิบสอง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 น้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อและน้ำมูดนี่คือส่วนประกอบของรูปประขันคือร่างกายและอาการสามสิบสองนี้ก็ทำมาจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟดินน้ำลมไฟ เป็นส่วนที่ทำให้เกิดอาการสามสิบสองขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของรูปประขันเป็นเรื่องของร่างกายส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้เป็นเรื่องของที่มาจากอีกแหลงหนึงคือเป็นเรื่องของใจเรื่อของาธาตุรู้ ร่างกายมันเป็นธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มาจากธาตุรู้ที่เราเรียกว่าจิตใจเวทนาคืออะไรเ ว, เวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มีสามชนิดด้วยกันทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนา ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาแล้วก็มีสัญญาความจำได้หมายรู้จำสิ่งนั้นจำสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นใครเป็นต้นเรียกว่าสัญญาหรือหมายรู้ความจำได้หมายรู้จำได้ก็คือจำเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ดี จำว่าคนนั้นคนนี้เป็นใครก็ดีไม่ mm hmm. ว่าความจำได้หมายรู้คือสัญญาสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งคิดเรื่องราวต่างๆนี้สังขารเป็นผู้คิดคิดว่าจะมาวัดดีไม่ดีวันนี้คิดว่าจะไปทำบุญที่ไหนดีคิดว่าจะไปปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรม นี่คือความคิดที่เรียกว่าสังขารแล้วก็วิญญาณวิญญาณนี้เป็นกระแสที่ไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายร่างกายกับใจนี่เป็นคนละคนเป็นคนสองคนด้วยกันร่างกายคือธาตุสียินน้ำลมไฟ ใจคือธาตรู้และวิธีที่ธานรู้กับใจ่านรู้กับร่างกายจะมารวมตัวกันเป็นขันห้าก็อาศัยวิญญาณนัขันวิญญาณนัขันนี้เป็นกระแสเหมือนกับกระแสวิทยุที่เราใช้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือสองเครื่อง เวลาที่เราจะพูดคุยกับมือถื อ, อเครื่องหนึ่งเราก็ส่งสัญญาณวิทยุไปสู่อีกเครื่องหนึ่งฉะนใ้เวลาที่่านรู้คือใจต้องการที่จะติดต่อกับร่างกาย <Okay. S 1> ก็ส่งกระแสของวิญญาณนี้ <Okay. S 1> ไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย <Okay. S 1> เพื่อที่จะได้รับรูป ที่มาทางตารับเสียงที่มาทางหูรับกลิ่นที่มาทางจมูกรับรสที่มาทางลิ้นและรับผดพะหรือสัมผัสหนาวเย็นหนาวร้อนที่มาทางร่างกายส่งมาที่ใจได้ด้วยการส่งของกระแสวิญญาณฐาน ขันหานี่ของพวกเรานี้เกิดขึ้นในตอนไหนมามาเจอกันมารวมตัวกันได้อย่างไรก็เกิดขึ้นในขณะที่มีมีธาตุสี่ของพ่อและธาตุสี่ของแม่มาอายุมาสมกันอพอมีการผสมของธาตุสี่ ของพ่อและของแม่ก็จะมีการก่อก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมาและก่อนที่จะก่อร่างสร้างตัวของร่างกายก่อนที่จะเรียกว่าปฏิสนธิได้ช่วงนั้นต้องมีธาตุรู้คือกระแสะของวิญญาณนัขขันมาเชื่อมต่อมาเกาะติดด้วยมาร่วม คือการที่จะมีปฏิสนธิมีการตั้งครรภ์ในท้องแม่ได้นี้จําเป็นที่จะต้องมีธาตุสี่ของแม่ส่วนหนึ่งธาตุสี่ของพ่อส่วนหนึ่งแล้วก็มีธาตุมีวิญญาณเป็นธาตุรู้มีวิญญาณกระแสวิญญาณมาเกาะจากธาตุรู้อีกทีนึงพอมีครบทั้งสามองค์ประกอบก็จะเกิดปฏิสนธิ เกิดการตั้งคันขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มมีการเจริญเติบโตของรูปขันรูปขันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตในในคันของมารดาค่อยๆโตไปเรื่อยๆค่อยมีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาทีละอาการสองอาการจนครบสามสิบสองอาการ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณเก้าเดือนออได้ครบอาการสามสิบสองแล้วแล้วก็ได้ขยะขนาดที่ใหญ่โตจนไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องแม่ได้แล้วแม่ก็จะคลอดลูกออกมาคลอดลูก ป, ประคันออกมาเราต้องเข้าใจว่านามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ ไม่ได้อยู่ในอาการสามสิบสองไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เพียงแต่มีวิญ ญ, ญาณขันวิญ ญ, ญาณกระแสของวิญญาณนี้มาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกาย <ๆ S 2> เพื่อให้ธาตุรู้หรือใจนี้ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้งกายธาตุรู้กับธาตุสี่คือร่างกายนี้ เป็นสองส่วนได้กเป็นสองฝ่ายฝ่ายของธาตุรู้นี่เราเรียกว่ารูปฝ่ายของธาตุสี่ของธาตุรู้นี่เราเรียกว่าฝ่ายของธาตุรู้ที่มีสี่อาการนี่เราเรียกว่านามรูปกับนามน่างกายเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเราเรียกว่านามเพราะว่า ร่างกายนี้เป็นรูปที่มองเห็นได้ด้วยตาแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเราถึงเรียกว่านามนามก็คือสิ่งที่ต้องสัมผัสด้วยใจใจเท่านั้นที่จะรับรู้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนร่างกายนี้ สามารถรับรู้ด้วยตาของร่างกายได้นี่คือองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราทุกคนพอร่างกายได้คลอดออกมาแล้วใจที่เป็นธาตุรู้นี้ก็จะเป็นผู้บัญชาการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความต้องการของของธาตุรู้หรือใจ โดยผ่านกระแสะความคิดปรุงแต่งคือสังขารสังขารก็จะสั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาให้ได้ใจได้เสพได้สัมผัสได้รับรู้คือสิ่งที่ใจต้องการก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะชนิดต่างๆที่ถูกอกถูกใจเพราะเวลาที่ ร่างกายได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกดลดิ่นรสผพพะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะรับรู้รูปเสียงกดลิ่นรสทันทีแล้วก็จะเกิดความรู้สึกคือสุขทันทีถ้าเป็นรูปเสียงกดลิ่นรสที่ถูกใจที่ชอบใจแต่บางเวลาก็ต้องไปสัมผัสรับรูบร้กับ รูปเสียงกลิ่นรสผุพร่ะที่ไม่ทุกที่ไม่ถูกใจพอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นกลางๆไม่ชอบจะว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่จะว่าชอบก็ไม่ใช่เฉยเฉยก็จะเกิดความไม่สุขไม่ทุกเวทนาขึ้นมาในใจ แล้วพอเกิดสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาขึ้นมาก็จะเกิดความอยากตามมาถ้าเป็นรูปเสียงกฤริยรสที่ชอบก็จะเกิดความอยากได้อยากให้รูปเสียงกิรเหล่า น, นั้นอยู่ไปนานๆถ้าไปเจอกับรูปเสียงกิริย์รสผุดภพที่ไม่ชอบก็จะเกิดความอยากให้มันหายไป ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นตรงที่รูปเสียงกลิ่นรสที่ที่ร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสนี้บางทีก็ควบคุมมันได้สั่งมันได้บางทีก็สั่งมันไม่ได้พอเกิดความอยากให้สิ่งที่อยากได้นั้นพอไม่ได้ตามความอยากใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วถ้าไปอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบให้มันหายไปแต่มันไม่หายไปมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นสิ่งใดที่ใจไม่ชอบใจก็ไม่ชอบความแก่ของร่างกายไม่ชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่ชอบความตายของร่างกายเป็นต้นร่างกาย แก่ไปแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือจะตายขึ้นมามตอนนั้นใจก็จะก็เกิดความทุกข์ทรมานใจเพราะอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเอง<ม>แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้<ม><ม>ก็ต้องทุกข์ทรมานไปจนกว่าที่จะ ได้มีโอกาสไปพบกับคนที่รู้จักวิธีทําให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายคือต้องมาเจอกับพระพุทธศาสนานี่มาเจอพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระคำก็ธรรมคําสั่งคําสอนของพระอริยสงสารก ที่เข้าใจเรื่องของขันห้าและเรื่องของของอของการมงคณทั้งห้าคือรูปเสียงกิ่นรสผลธภัว่ามีคุณลักษณะอย่างไรคุณลักษณะของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือมันเป็นปลายลักษณมีสามคุณลักษณะมันเป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนเหมือนกับดินฟ้าอากาศเหมือนลมพัดแดดออกฝนตกเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นอนัตตาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอนิจจังเดี๋ยวฝนก็ตกบ้างเ๋ยวฝนก็หยุด เดี๋ยวแดด ก, ออก็เดี๋ยวอากาศก็ร้อนเดี๋ยวอากาศก็เย็นทันไใ้ลูกเสียงกลิ่นรสผลฐภะก็ก็อย่างนี้ฝนก็เป็นลูกเสียงกิ่นรถอย่างฝนนี่เราก็สัมผัสได้ด้วยอะไรได้ด้วยร่างกายผลตพะเวลาฝนตกเราโดนฝนเราก็จะได้รับความเย็นของฝนได้รับความเปียกของฝนเวลารา้อนเราก็ได้รับ ความร้อนของความของแสงแดดเป็นต้นมันก็เป็นเรื่องของกามคุณหานี้กามคุนหานี้มันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เช่เนเดียวกับรูปประขันนี่ก็คือร่างกายนี้ร่างกายมันก็เป็นปรากฏการ ทางธรรมชาติมันเป็นการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่ปรุงแต่งให้เกิดเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาแล้วมันก็มีทิศทางเดินของมันคือมันก็จะเดินจากเกิดไปแล้วก็ ออกจากท้องแม่มามันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนถึงขีดจเจริญเติบโตที่เต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มนับถอยหลังจากการจเจริญ ม, มันก็จะเริ่มเป็นการเสื่อมพอมันจเจริญได้เต็มที่พออายุกลางคนแล้วตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปนี้ความจเจริญของร่างกายมันก็จ ะ, จะเจริญได้เต็มที่ แล้วมันจะไม่เจริญต่อไปมันจะเริ่มเสื่อมลงไปตามธรรมชาติของร่างกายพอมันเริ่มเสื่อมเข้าไปเรื่อยๆความแก่ความชราก็จะปรากฏขึ้นในร่างกายแล้วก็จะตามมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะอวัยวะที่อยู่ในร่างกายมันก็ต้องเสื่อมตามเวลาของมัน เมื่อมันเสื่อมการทำงานทำหน้าที่ของมันก็จะเริ่มมีปัญหาเริ่มเจ็บตรงนั้นเริ่มปวดตรงนี้เพราะมันไม่ได้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มเต็มที่เหมือนตอนที่มันกำลังจเจริญเติบโตพอมันเริ่มเสื่อมมันก็จะเริ่มมีปัญหาต่างๆในอวัยวะต่างๆฟันก็จะหลุดบ้างผมก็จะงอ ผมก็จะร่วงหนังก็จะโยนจะเหวี<ะ>่ยแล้วการทำงานของอวัยวะภายในก็จะค่อยเสื่อมลงไปหัวใจก็จะเต้นช้าลง<ะ>การทำงานของปอดของระบบทั้งหลายมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปตามการตามเวลา <c oughs> จนในที่สุดมันก็จะหยุดทำงาน<ะ>แต่เมื่อ เมื่อปอดหยุดทำงานหัวใจหยุดเต้นลมหายใจที่เคยเข้าออกมาหล่อเลี้ยงร่างกายก็จะหยุดไปตอร่างกายตายไปช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ขันห้าจะแยกจะแยกทางกันขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะแยกออกจากร่างกายคือจะ จะไม่มีการเชื่อมต่อติดต่อกันตัววิญญาณที่เคยเชื่อมต่อระหว่างธาตุรู้กับธาตุสีคือดินน้ำลมไฟนี้ก็จะหยุดทำงานธาตุรู้ก็จะไม่รับรู้เรื่องราวของร่างกายตอนที่ร่างกายหยุดหายใจพอร่างกายหยุดลมหายใจธาตุรู้ก็จะหยุดการรับเชื่อม รับข้อมูลจากร่างกาย้าตุนี้กับธาตุสี่คือร่างกายนี้อยู่คนละสถานที่กันอยู่คนละโลกกันร่างกายคือรูปประคันนี้คือธาตุสีน่นี้อยู่ในโลกกระธาตุโลกที่ร่างกายเราอยู่นียเป็นโลกกระธาตุเพราะว่ามีแต่ธาตุสี่ดินน้าลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกของร่างกายนี้ ทำมาจากธาตุทั้งสี่ทำมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือบางอย่างก็อาจจะเป็นธาตุธาตุดินล้วนๆธาตุน้ำล้วนๆเช่นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่นี้ก็ทำมาจากธาตุดินล้วนๆไม่มีธาตุอื่นผสมอยู่ด้วยหรืออาจจะมีก็อาจจะมีน้อยมากแต่ก็เป็นธาตุธาตุดินเป็นส่วนใหญ่ ของที่เป็นของเหลวก็จะเป็นธาตุน้ำเป็นส่วนใหญ่น้ำที่เราดื่มเข้าไปน้ำสะอาดก็เป็นธาตุน้ำขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่ร่างกายต้องมีธาตุสี่คอยหล่อเลี้ยงคอยคอยเสริมให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้เรื่อยๆถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปไม่นานร่างกายก็จะต้องเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดถึงความตายได้ เอ็ถ้าขาดลมหายใจเพียงไม่กี่นาทีนั่งกายก็จะต้องตายไปถาขาดธาตุลมไม่ได้ถ้าขาดธาตุน้ำก็หลายวันหน่อยถ้าขาดธาตุดินคืออาหารก็จะก็จะใช้เวลา น, านานหน่อยกว่าที่จะตายถ้ากะขาดธาตุร้อนธาตุาไฟก็อาจจะตายได้เร็วเพราะถ้าโลกนี้ไม่มีแสงงไม่มีความร้อนของดวงอาทิตย์ โลกนี้ก็จะเป็นเหมือนขั่วโลกเหลือทั่วโลกมีแต่ความหนาวเย็นถ้ามีความหนาวเย็นมากๆร่างกายก็จะแข็งตัวส่วนที่เป็นของเหลวในร่างกายก็จะแข็งกลายเป็นน้าแข็งไปหมดร่างกายก็จะต้องตายหยุดทำงานไปนี่คือช่วงที่ขันห้าจะเริ่มจะสิ้นสุดลงสิ้นสุดลงที่การสิ้นสุดของลมหายใจเข้าออก เวลาร่างกายไม่หายใจเข้าออกแล้วร่างกายก็หยุดทำงานแล้วธาตุที่หลงเหลืออยู่ภายในใจก็จะค่อยแยกตัวออกจากกันช่วงแรกที่ธาตุลมหยุดหยุดทำงานคือธาตุลมไม่เข้าช่วงนั้นธาตุรู้กับร่างกายก็จะก็จะแยกตัวออกจากกัน ธารู้ก็จะไม่ได้รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณฑ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้งกายธารู้ก็จะอยู่ในสภาพเป็นที่เราเรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ยังมีธาตุยังมีนามขันทั้งสี่อยู่นามขันนี้มากับธาตุรู้เป็นส่วนเป็นส่วนของธาตุรู้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ยัง ทำงานต่อได้ทำงานในรูปแบบอะไรก็ทําในรูปแบบของความฝันเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับหรเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเนี่ยดวงวิญญาณยังอยู่ณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังอยู่แล้วตัวที่ทํางานที่มาสร้างความฝันให้ก็คือตัวเวทตัวสังขารความคิดปรุงแต่งสัญญาความจําได้ไหมายรูก แล้วก็มีความรู้สึกสุขทุกข์เข้ามาเวลานอนหลับนี่เรายังเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตายเหมือนกับว่าเรายังเราไปที่อยู่ที่ใดที่หนึ่งตามความฝันที่ใจปรุงแต่งสร้างขึ้นมาใจเราก็จะฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างฝันดีก็เพราะมีเหตุที่ทำให้ฝันดีและมีเหตุที่ทำให้ฝัน้าย ที่ทำให้ฝันดีก็คือบุญกุศลต่างๆความดีต่างๆที่เราทำกันเพราะเวลาที่เราทำความดีเราทำแต่เรื่องที่มีความสุขนั่นเองเช่นเราไปทำให้คนอื่นเขามีความสุขช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับผู้ใจเราก็สร้างแต่ความสุขสร้างแต่เรื่องดีๆสะสมไว้ในใจสะสมไว้ในสัญญาความจําได้มายรู้ส่วน ถ้าเราไปทำเรื่องที่ไม่ดีไปเบียดเบียนพูดไปลังแก่พูดไปทำร้ายพูดไปอาฆาตพยาบาทไปทำอะไรที่ไม่ดีต่างๆมันก็จะเก็บฝังไว้ในใจของเราเก็บไว้ในสัญญาค่ามจํานี้ที่อยู่ในใจพอเวลาที่ร่างกายไม่ทำงานเช่นเวลาร่างกายนอนหลับตอนนั้นใจก็จะไม่ได้ใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือในการที่จะไปหาเรื่องราวต่างๆมาเสกมาสัมผัสใจก็เลยใช้เหตุการณ์ในอดีตที่เคยทำมาไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปขึ้นอยู่กับว่าจะทำอะไรมากกว่ากันถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญใจก็จะได้เรื่องราวที่ไม่ดีมาปรากฏเป็นความฝันที่ไม่ดีต่างๆ ถ้าบุญนั้นมีมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ที่จะมาผลิตความฝันที่ดีในช่วงที่ธาตรู้คือใจนี้หรือดวงวิญญาณนี้อยู่อยู่ตามกงฟังอยู่ปราศจากร่างกายเนี่ยดวงวิญญาณนี้ก็จะอยู่ในถ้าฝันดีล้วก็เรียกว่าอยู่ในสวรรค์ถ้าฝัน้ายเราก็จะเรียกว่าอยู่ในอาบายหรืออยู่ในนรก นี่คือสภาพของขันขันสี่ที่ยังทํางานต่อขันห้านี้หยุดทํางานไปแล้วคือร่างกายขันห้านี้ก็จะแยกตัวขันขันสี่คือธาตุสีก็จะแยกตัวพอร่างกายหยุดหายใจลมก็ออกไปก่อนแล้วก็ตามด้วยธาตุไฟก็คือความร้อนถ้าไปจับร่างกายของคนตายนี่จะรู้สึกว่ามันเย็น เย็นกับร่างกายของคนเป็นร่างกายของคนเป็นยังมีธาตุไฟอยู่แต่แร่างกายของคนตายนี้ธาตุไฟได้ตามธาตุลมออกไปก็เหลืออยู่ยแต่ธาตุน้ํากับธาตุดินที่ยังผสมกันอยู่ยังรวมตัวกันอยู่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆต่อไปธาตุน้ํามันก็จะไหลออกตามทวารต่างๆจนกระทั่งต่อไปร่างกายก็จะแห้งกรอบ เอาไว้ยาว่าต่างๆผิวหนังก็ดูต่างๆมันก็จะแห้งกรอบแล้วถ้าทิ้งไปต่อไปสักระยะหนึ่งมันก็จะผุพังกลายเป็นดินไป น, นี่คือสภาพของธาตุสี่คือร่างกายถ้าเราไม่ได้ทำชาปนักกิจเราไม่ได้ไปทำอะไรเอาไปฝังถ้าเราไปขุดดูต่อไปก็จะเหลือแต่ธาตุดินหรือหรือแต่เศษกระดูก คือร่างกายธาตุอื่นนั่นแยกตัวไปหมดแล้วธาตุลมไปก่อนตามด้วยธาตุไฟแล้วตามด้วยธาตุน้ําเหลือส่วนที่เหลือที่เราจะสามารถรับรู้เห็นได้ก็คือธาตุดินเช่นญาติโยมบางคนก็ไปช่วยล้างป่าช้าไปขุดเอาซากศพที่ถูกฝังไว้ในป่าช้าขึ้นมาเพราะเขาจะต้องใช้สถานที่ไว้สําหรับฝังร่างกายใหม่ อะไรต้องไปลื้อป่าช้าเอาของเก่าออกมาขุดไปตามหลุมฝังศพก็จะเจอแต่เศษกระดูกนี่คือธาตุธาตุทั้งสี่คือรูปประคันรูปประคันนี้มีวงจรนี่คือการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วก็จะเจริญเติบโตแล้วก็จะแก่แล้วก็จะเจ็บแล้วก็จะตาย แล้วก็จะแยกตัวออกจากกันธาตุสี่ที่มาล้ำรวมตัวกันก็จะแยกกันไปรู ป, ปรขันก็จบตรงที่ความตายไม่มีอะไรตามมาต่อไปกับรู ป, ปรขันส่วนนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้ยังทำยังทำงานต่อยังไม่ได้ยังไม่ได้สิ้นสุดยังไม่ยุตินามขันนี้ไม่มีวันยุติเพราะว่ามันมากับธาตุรู้ ถ้ารู้นี่ไม่มีวันไม่มีวันตายไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดถ้ารู้ก็จะดาเนินต่อไปในสภาพของดวงวิญญาณอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็สร้างความฝันที่ดีบ้างสร้างความฝันที่ไม่ดีบ้างด้วยอำนาจของบุญหรือของบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ถ้าทำบุญไว้มากกว่าบาปในช่วงที่อยู่ปัสจากร่างกายก็จะอยู่แบบเทวดาอ ย, อยู่ในโลกของความฝันของเทวดาก็ดีของพรมก็ดีของพระอริยบุคคลก็ดีก็เกิดจากการทําบุญในระดับต่างๆทําความดีในระดับต่างๆดวงวิญญาณก็จะมีแต่เรื่องราวที่ดีให้เสพให้สัมผัสน ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญดวงวิญญาณก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีให้คอยเสพให้สัมผัสเช่ mm hmm. นถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะมีเรื่องราวที่หิวโหวยให้คอยได้สัมผัสรับรูบร้ mm hmm. วันว่าไปอยู่ที่นั่นที่ขาดแคลนขอดอยากขาดแคลนขาดอาหารขาดข้าวขาดน้าขาดอะไรต่างๆ mm hmm. อันนี้ก็จะเกิดจากการทำบาปด้วยความโลภ ก็อย่าฝันเรื่องราวที่จะทําให้เกิดมีแต่ความหิวโหยเรื่องราวที่หิวโหยต่างๆถ้าทําบาปด้วยความกลัวนี้ก็จะมีเรื่องราวที่หวาดกลัวให้ <S <S ให้ให้ได้สัมผัสรับรู้ถ้าทําบาปด้วยความเคียดแค้นฆ่ารรรรรรรรพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะมีเรื่องราวฆ่าฟันจองเวรจองกรรมกันล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมาให้ได้เสพได้สัมผัส งดวงวิญญาณนี้คือธาตุรู้นิม้มไปต่อความจริงร่างกายคือธาตุสี่เขาก็ไปต่อของเขาธาตุดินก็ไปไปไปอยู่กับดินธาตุาลมก็กลับไปอยู่กับลมธาตุไฟก็กลับไปอยู่กับไฟธาตุน้ําก็กลับไปอยู่กับน้ำคือสรุปแล้วไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรหายไปไหนเกิดตากลับคืนสู่สภาพเดิมร่างกาย คือรูปประทันนี้ก็กลับเคิืนสู่ดินน้ำลมไฟไปส่วนเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ที่ธาตุรู้ต่อไปจนกว่าบุญหรือบาปที่สร้างเรื่องราวต่างๆสร้างความฝันต่างๆให้ใจได้สัมผัส ร, รับรู้นี้หมดกำลังลง ใจนี้ถ้ายังมีกิเลสตัณหามีความโลภมีความอยากอยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งไปมีฐานห้าใหม่ครั้งหนึ่งเวลาที่ไปเจอการผสมของธาตุสี่ของพ่อและของแม่แล้วก็ใจก็ส่งกระแสวิญญาณไปเกาะที่ร่างกายอันใหม่ที่พ่อแม่ ผสมกันก็จะได้ธาตุห้าขึ้นได้ขันห้าขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งได้ร่างกายใหม่ได้รูปประขันใหม่แต่นามขันนี้ยังเป็นของเก่าอยู่เวธนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่ในใจนี้ที่อยู่ในธาตุรู้นี้ยังเป็นของเก่าอยู่เคยคิดอะไรเคยชอบอะไรเคยเกลียดอะไระมันก็ยังจะมาเกิดเป็นเหมือนเดิมอยู่ ชาติก่อนเราเคยชอบสีเขียวชอบสีแดงชาตินี้เรามาเกิดเราก็จะชอบสีเขียวชอบสีแดงชาติก่อนเราถนัดในการร้องราทำเพลงชาตินี้เรามาเกิดเราก็จะมาถนัดในการร้องราทำเพลงเราเคยถนัดอะไรเคยชอบอะไรเคยทำอะไรมามันก็จะติดมากับธาตุรู้แล้วมันก็จะใช้ร่างกายนี้เป็นตัวอตอบสนอง ความต้องการความถนัดของของธาตุรู้ช้ร่างกายมาทาอะไรต่างๆตามที่ถนัดบางคนก็มาเป็นนักร้องเป็นศิลปินเป็นดาราภา พ, พยนตร์บางคนก็มาเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นอะไรต่างๆ <c oughs> อันนี้เกิดจากการสะสมวิสัยที่ได้ทำไว้ในแต่ละพบแต่ละชาติขึ้นมาคนเราจึงมีความแตกต่างกัน เวลามาเกิดจึงมีความชอบความชังที่ไม่เหมือนกันมีความถนัดในเรื่องต่างๆที่ไม่เหมือนกันนี่ปัญหาของใจอยู่ที่ตรงไหนปัญหาของใจก็อยู่ที่ตรงที่มีความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน<ม>ก็เลยก็เลยหลงไปคิดว่าความสุข ท, ที่แท้ความสุขนั้นอยู่ที่การมีรูปเสียงกิดรสผลิภัณให้เสพ mm hmm. เพราะว่าเวลาได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกิดรสที่ชอบ อ, อกชอบใจ mm hmm. ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา mm hmm. ก็เลยมุ่งไปที่การหาความสุขจากจากการเสพรูปเสียงกิดรสต่างๆแล้วก็ควบคู่ไปกับสิ่งอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็คือราบยศสรรเส ร, ริญราบยศสรรเสริญนะความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่คือสิ่งที่ความหลงจะหลอกให้ใจคือถ้ารู้นี้ไปหากันไปเสดกันการที่จะไปเสดหาความสุขจากโลกธรรม ท, ทั้งสี่ได้ก็คือการที่จะต้องมีเงินมีทอง มีลาบมียศมีสารเสริญมีรูปเสียงกลิ่นล้นให้เศษก็จ <utions secure> <losers> ําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะเศษเครื่องมือที่จะหาราบยศสารเสริญสุกมาเศษเครื่องมือนี้ก็คือร่างกายนี่ก็คือรูปประขันนามขันนี้มีความอยากใจคือนามขันนี้มีตัณหาความอยากมีโมหะอวิชชามีความหนง ที่ไม่รู้ว่าความความสุขที่ที่แท้จริงนี้นอยู่ที่ตรงไหนก็หลงไปคิดว่าความสุขอยู่ในการมีเล่อกะธรรมทั้งสี่มีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกิรลดโพธิภพต่างๆให้เสเพราะเวลาที่ได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขจากรูปเสียงกิรลดมามันจะมีความสุขมาก เ, เช่นเวลาใครได้เงินได้ทองมาเป็นก้อนใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีข่าวคนจะมีความสุขกัน คนจะต้องถูกคอตรลลี่รางวัลที่หนึ่งกันคนใดคนหนึ่งพ อ, อได้เงินกองก้อนใหญ่ๆเข้ามาก็เกิดอาการสุขใจขึ้นมาเขาเรียกว่าเจริญจเจริญลาบเวลาเจริญลาบก็จะได้ความสุขเวลาเจริญยศเวลาได้ได้ยศได้ตำแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาได้รับการสรรเสริญยกย่องเยืนยอได้รับรางวี่รางวัลต่างๆ เชได้รับรางวัลเหรียญทองถ้าเป็นนักกีฬาถ้าเป็นนักแสดงก็ได้รางวัลตุ๊ ก, กตาทองถ้าประกวดนางงามก็จะได้มงกุฎเป็นต้นอันนี้ก็อยู่เรื่องของสรรเสริญทุกคนต้องการชอบความสารรเสริญเพราะนอกจากการสารรเสริญแล้วมีรางวัลตามมาด้วยมีมีมีเงินตามมาด้วยมีราบตามมาด้วยได้รางวัลแล้วก็ ได้เหรียญแล้วก็มีรางวัลด้วยมีเงินทองติดมาให้ด้วยทุกคนก็ดีใจเพราะว่าพอมีเงินก็จะได้ใช้เงินนี้ไปซื้อของต่างๆซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่อยากได้เห็นอะไรที่ชอบก็ซื้อได้เห็นของอะไรที่ชอบก็ซื้อได้ได้ยินเสียงอะไรที่ชอบก็ซื้อซื้อมาได้สัมผัสได้กินได้ดื่มอะไรที่ชอบก็จะซื้อได้ถ้ามีเงินมีทอง ก็เลยมาต้องมาเกิดใหม่ธาตรู้ที่มีตอนที่ตอนที่ไม่มีร่างกายเหลือแต่นามขันสีเหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารนี้มันยังมีความอยากอยู่ความอยากมันอยู่ในธาตุรู้ความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นี้มันยังอยู่ในใจความอยากตัวนี้แหละที่พาให้ธาตุรู้ คือคื อ, คอนามาขันทั้งสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มาเชื่อมกับธาตุสี่คือรูปประขันคือร่างกายเวลาที่มีการสร้างร่างกายขึ้นมาในท้องแม่เวลามีการปฏิสนธิขึ้นมาเวลามีการผสมพันธ์ขึ้นมาพอมีวิญญาณไปเกาะที่ร่างกายที่กําลังผสมพันธ์นี้มันก็จะเกิดปฏิสนธิมันก็จะเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมา เพราะว่าผู้ที่มาเชื่อมคือใจนี้ส่งส่งวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายนี้เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือการไปหาความสุขต่างๆจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพธทธะนี่เองแต่ปัญหาของการที่หาความสุขจากการเสพลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสนี้มัน มีปัญหาหลายอย่างด้วยกันปัญหาก็คือความไม่แน่นอนของรูปเสียง ก, กลินรถต่างๆเราต้องการรูปเสียง ก, กลิ่นรถที่เราชอบแต่พอเราไปเจอรูปเสียง ก, กลินรถที่เราไม่ชอบขึ้นมาแทนที่จะได้ความสุขก็เลยกลับได้ความทุกข์ขึ้นมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการกันพอเราเพราะเราต้องการแต่ความสุขอย่างเดียวแต่บางทีก็หนีไม่พ้นจะต้องไปเจอความทุกข์ หรือว่าความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนั้นบางทีมันก็หมดไปได้เพราะรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้มามันก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเช่นเราไปเที่ยวตามสถานที่เที่ยวต่างๆตอนที่เราได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของสถานที่ที่เราไปเที่ยวเราก็เกิดความสุขใจกันแต่พอเรากลับมาบ้านรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปเที่ยวมามันก็หายไป ถึงแม้เราจะถ่ายรูปมาเก็บไว้มาดูเปิปดดูดูในรูปมันก็ไม่เหมือนกับไปดูของจริงดูกี่ครั้งกี่คราวมันก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกับตอนที่ไปได้เจอของจริงใช่มมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกขาดอะไรไปขาดความสุขไปการขาดความสุขมันก็เป็นเหมือนกับเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งมันก็จะคอยบีบทันให้เราต้องไปหาความสุขใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ ต้องคอยไปเสพรูปเสียงกิจลดผดทพะแบบใหม่ๆอยเรื่อยๆไปเที่ยวที่นี่แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ต้องไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็ต้องไปเที่ยวที่นู่นต่อคนที่ชอบเที่ยวก็เปลี่ยนที่เที่ยวไปเรื่อยๆคนที่ชอบซื้อของก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวซื้อหมวกบ้างเดี๋ยวซื้อแว่นบ้างเดี๋ยวซื้อกระเป๋าบ้างเดี๋ยวซื้อลองเท้าบ้างคนที่ชอบซื้อรถยนต์ก็จะเปลี่ยนซื้อรถยนต์ไปเรื่อยๆซื้อคันนี้แล้วก็ไปซื้ออีกคันหนึ่ง ได้มากี่คันก็ไม่มีความอิ่มความพอเพราะของต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอมันให้ความสุขเชื่อประเดี๋ยวประดาวชื่อขณะที่ได้ซื้อได้ได้เสพได้สัมผัสพอได้มาเป็นของตนแล้วมันก็จะกลายเป็นของเก่าไปของชินชาไปแล้วมันก็จะไม่เกิดความดุดเดือยไม่เกิดความรู้สึกสุขเหมือนตอนที่ได้ได้มาใหม่ๆก็เลยต้องไปหาของใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆนการหาของใหม่นี้มันก็จะต้อง มีเงินมีทองถ้าไม่มีเงินทองมันก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับของเก่าไปมันก็จะรู้อยู่กับความไม่ค่อยมีความสุขไปแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไม่มีเงินมีทองแล้วยังเป็นเรื่องสุขภาพของร่างกายร่างกายมันก็ไม่ใช่จะอยู่แบบแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดร่างกายมันก็ต้องมีการเส่อมไปตามการตามเวลา ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่มีปัญหาอะไรสามารถใช้ร่างกายเหมือนเหมือนเหมือนใช้รถยนต์คันใหม่เนี่ยรถยนต์คันใหม่นี่จะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายพอสตาร์ทปุ๊บมันก็วิ่งได้ทันทีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอใช้รถยนต์ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เก่าลงเก่าลงแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาขึ้นมาบางทีสตาร์ทรถก็ไม่ติดบ้างบางทียางก็แตกบ้างบางทีแบตเตอรี่ก็เสื่อมบางทีเครื่องกระเสียเป็นต้น เราไม่สามารถทําตามที่เราอยากได้ตอนนั้นใจเราก็จะทุกข์ใจเราก็จะไม่มีความสุขเช่นเดียวกับร่างกายของเราต่อไปร่างกายของเราทุกคนมันก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะต้องตายพอถึงเวลานั้นมันจะเริ่มเห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าการมาเกิดในโลกนี้มันไม่ดีเลยนะการมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญสุขนี้มันไม่ดีเลย <Yeah. S 2> นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่พอไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นแล้วกลับมาดูที่ตัวของตัวเองว่าต่อไปก็จะต้องเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็จะเห็นว่าพอพอเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ yeah. ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีก็เลยอยากจะหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วถ้าเป็นไปได้ทาอย่างไรที่จะได้ไม่ต้องกลับมาหากลับมาเกิดมามีร่างกายมาหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่หรือมาหาความสุขจากราบยศสรรเสริญสุขอีกต่อไปความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องไปไปหานักบวช เพราะนักบวชนี้เขาไม่รู้จักวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือความสุขที่มีอยู่ในใจของทุกคนแต่ทุกคนไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่ดีอยู่ในใจของเราเองเพราะความหลงมันหลอกให้เราไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดแต่มีพวกนักบวชนี่แหละที่เขาไปค้นพบว่ายังมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญ ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโพธตภัไม่ต้องใช้ร่างกายสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยการไปฝึกสตินั่งสมาธิไปเป็นนักบวชไปถือศีลไปยุติการหาความสุขทางโล ก, กธรรมทั้งสี่เพราะถ้าเราอยากจะหาความสุขจากความสงบจากสมาธินี้เราต้องเลิกหาความสุขจากราบยศ ส, สรรสิญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรส เจ้าชายสิทธะก็เข้าใจ ร, รู้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรก็เลยสละราชสมบัติสละการหาความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกดลดภภิ่นรสผลถะพระแล้วก็ไปอยู่แบบตั้งบวชไปถือศีลของนักบวชละเว้นการเสพการรมในทุกรูปแบบและเว้นการเสพ ร, รูปเสียงกดลิ่นรสผลถะพระในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นก็ดีไม่ว่าจากการเสพอาหารต่างๆก็ดีไม่ไม่ว่าจากการดูมหมอหรสพบบันเทิงอะไรต่างๆก็ดีต้องตัดความสุขเหล่านี้ไปให้หมดเราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เรียกว่าสมาธิการที่จะทำให้ใจสงบมีความสุขมีความสงบได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีสติ คอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งการจะควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้หยุดคิดปรุงแต่งเพ่อใจจะได้สงบด้านี้จําเป็นต้องอยู่แบบนักบวชคือต้องไม่มีเรื่องงานอย่างอื่นต้องให้ทําถ้ายังมีงานต้องทําอยู่งานทำมาหากินหาเงินหาทองหาราบยศสรรเสริญอยู่จะไม่มีเวลาจะไม่มีความสามารถที่จะหยุดความคิดได้เพราะการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ต้องใช้ความคิด ตลอดเวลาดัางนั้นผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขจากความสงบของใจจึงจำเป็นจะต้องไปอยู่แบบนักบวชกันไปบวชกัน<ม>และเพื่อที่จะได้มีเวลาเจริญสติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเพราะทําไมเราต้องเจริญสติทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าความคิดของเราทางานทั้งวันทั้งคืนน่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมามันก็เริ่มคิดแล้ว คิดว่าจะไปทําอะไรดีไปดูอะไรดีไปฟังอะไรดีไปกินไปเดิมอะไรดีมันจะคิดอยู่ของมันหญ่างนนอยู่เรือยๆถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความอยากตามมาคิดอยากจะไปกินก็ต้องไปก็เกิดความอยากกินขึ้นมาคิดอยากจะดูก็เกิดความอยากดูขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยหยุดความคิดเหล่านี้ได้ความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้แล้วถ้ามันเกิดไม่ได้เราหยุดความคิดได้ ใจก็จะนิ่งก็จะสงบความอยากก็จะหายไปพอความอยากหายไปความหิวก็จะหายไปความอิ่มก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ mm hmm. ความอยากกับความหิว น, นี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันหิวมันก็จะไม่อิ่มถ้ามันอิ่มมันก็จะไม่หิวเฉนั้นทำยังไงที่ทาให้ใจเราอิ่มไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสขกับเราเราก็ต้องหยุดความอยากหยุดความหิว น, นั่นเอง พอหยุดความหิวหยุดความอยากได้ด้วยสติเช่นฝึกสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้คิดถึงราบยศสรสรเสริญไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑ์พอใจไม่คิดพอมานั่งเฉยๆใจก็นิ่งสงบขึ้นมาความอยากก็หยุดไปทันทีพอความอยากหยุดไปความหิวก็หายไปทันทีความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความอิ่งก็ปรากฏขึ้นมา ทำให้สามารถอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขเหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ใจมันไม่นิ่งใจมันไม่อยู่เฉยๆมันชอบคิดถึงราบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกดลดิ่นรสผลพระพอคิดแล้วก็เกิดความหิวเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องไปหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกดลิ่นรสมาเสกหามาเสกได้มากน้อเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอ เพราะมันเป็นของชั่วข่าวมันให้ความอิ่มความความสุขได้เพียงชั่วข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เกิดความหิวใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่พอมาฝึกสติมาคอยควบความความคิดมาหยุดความคิดมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งสงบได้ความหยุดความอยากความหิวก็จะหายไปความอิ่มความพอก็จะเกิดขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความอิ่มความพอก็จะตามมา ทำให้สามารถอยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับตนเองอ น, นี้คือสิ่งที่นักบวชสมัยที่พระเจ้าทรงออกบวชนั้นสามารถทํากันได้สามารถหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้แต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวคือเป็นความสงบแบบชั่วคราวเพราะว่าสงบได้เฉพาะเวลาที่เข้าสมาธิเทนั้นแต่พอออกจากสมาธิมา ก็ยังต้องใช้ความคิดอยู่กับเรื่องราวต่างๆเช่นต้องมาดูแลร่างกายต้องมาอาบน้ําอาบทาล้าล้างหน้าแปรงฟันต้องมารับประทานอาหารต้องมาทําอะไรดูแลสถานที่พักอะไรต่างๆก็ต้องใช้ความคิดน่าท้าเพลิดสติปล่อยให้คิดบางทีก็ไปคิดถึงราบยศเสนอไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสทุกข์ทาพะขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา หรือไปคิดถึงร่างกายว่าร่างกายสักวันหนึ่งจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายมันก็ยังทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอซึ่งไม่มีใครรู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ใจเหล่านี้ได้ในขณะที่ออกจากสมาธิมาพระพุทธเจ้าก็อยากจะกำจัดความทุกข์ใจให้หมดไปทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกจากสมาธิมาแล้วจะทำยังไงถึงจะทาให้ไม่ทุกข์ใจกับ เรื่องราวต่างๆที่ยากจะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของตนก็คือความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าก็เลยต้องคิดค้นหาวิธีด้วยตนเองก็ไปถามกูบาจารุ่มไหนก็ไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทําได้ก็เพียงแต่เข้าสมาธิไปเวลาเข้าสมาธิก็หยุดคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ตอนนั้นความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปชั่วคราวไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่พอออกจากสมาธิมาพอพอมาเห็นร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่จะตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมากหมไม่มีใครรู้ว่าอะไรที่ทำให้ใจต้องทุกข์เวลาที่ออกจากสมาธิอะไรที่ทำให้ใจไม่ทุกข์ในขณะที่อยู่ในสมาธิเมื่อไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไป คนคว้าหาความรู้อันนี้ด้วยตนเองในที่สุดก็ส่งคนเพราะว่ามันเกิดจากความอยากของใจนี้เองอยากจะอยู่ไปนานๆนอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแต่พอมองถึงความจริงของร่างกายก็ต้องเห็นว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม มันเมื่อเกิดมาแล้วมันก็จะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บแล้วเจอความตายในที่สุดเด็กเลี้ยงไม่ได้แลวิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายท่ำอย่างไรก็เวลาเข้าสมาธิไปนี้ก็ไปหยุดความอยากนี้เองหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทีนี้ก็มาลองมาหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโดยการใช้ปัญญาดูแทนทีนี้จะเข้าสมาธิเพื่อหยุดความอยากต่างๆ ก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าเราไปอยากมันเองต่างหากร่างกายมันต้องแก mm ่ hmm. ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์กับมันเพราะเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแค่เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าก็เลยสามารถค้นพบวิธีที่จะทาให้ใจไม่ทุกข์กับอะไรได้ พอสองคนพบว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆนี่พอตัดความอยากทั้งหมดที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ใจก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วใจก็ไม่มีความต้องการอะไรอีกต่อไปเพราะเป็นใจที่อิ่มที่พอตลอดเวลาใจที่หิวที่ที่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะจดความอยากยังมีความอยากอยู่ในใจพอตัดความอยากต่างๆด้วยปัญญาได้แล้วด้วยการเห็นว่า การทำให้การปล่อยให้ความอยากเกิดขึ้นมานี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจพอเราพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็หยุดความอยากได้ด้วยการยอมรับความจริงของสิ่งต่างๆที่เราอยากว่ามันเราห้ามันไม่ได้ถ้าไม่ร่่งกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ให้สิ่งต่างๆไม่เสื่อมไม่ได้ถ้าไม่ให้ลาบยศสารเสิญสุขมันไม่เสื่อมไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่มีเจริญแล้วมันต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา พอเข้าใจหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตากับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็หยุดความอยาก ท, ทั้งหมดได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปหมดใจก็จะกลายเป็นใจที่นิ่งที่สงบเป็นใจที่มีความสุดตลอดเวลาเป็นใจที่ไม่หิวไม่อยากกลับะไะอีกต่อไปเนี่ยอันนี้แหละเป็นใจที่จะไม่ต้องกลับมาเชื่อมต่อกับร่างกายอีกต่อไปอ ดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกนี้ไม่มีความอยากก็จะไม่กลับมาหาร่างกายอันใหม่แต่ดวงวิญญาณของพวกเรานี้ถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติจนถึงขั้นตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เวลาร่างกายนี้ตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเราจะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายไปอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ไม่ใช่อีกรอบเดียวจะต้องไปต่ออีกหลายๆรอบถ้าตราบใดาเราไม่รู้ความจริงว่าการที่เราจะต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆในโลกนี้ก็เกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมันจะให้ความทุกข์กับเราอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับความทุกข์เราก็ต้องทําใจ ให้อิ่มให้พอด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่พอเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ต่อไปเราก็จะไม่ต้องกลับมามีรูปประคันอีกต่อไปแล้วนามขันวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ต้องทํางานอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําอะไร เพราะว่ามีความอิ่มความสุขมีความพอที่เกิดจากความนิ่งสงบของนามขันนี่ความนิ่งสงบของความคิดตุ้งต่งพอความคิดตุงงต่งสงบลงสัญญาณวิญญาณก็เวทนาก็จะสงบตัวลงใจก็จะมีแต่ความนิ่งความสงบไม่มีความหิวไม่มีความอยากอีกต่อไปใจก็จะไม่มามีรูปปานจัยต่อไปใจก็จะอยู่อย่างสงบไปตลอดอยู่อย่างมลมมสุข ที่เรียกว่านิบานังประมังสุขะนี่เกิดจากการที่เราเข้าใจหลักของขันห้าว่าขันห้านี้มันมีมาได้อย่างไรมันทำไมถึงต้องมีขันห้าขันห้ามันมีขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีความอยากมีความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกใจพอมาได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุข จากการไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิริให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติด้วยการใช้ปัญญา<ม>พอเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาทำใจให้อิ่มได้ตลอดเวลาทำใจให้ไม่ทุกข์กับอะไรได้ต่อไปทำใจให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไป<ม>นี่ก็คือเรื่องราวที่อามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวหาปูราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานาังอุปปักปติอิจิตังปะทิตังตุนหังกิ ป, ปเมวะสวเชาตุสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปัณาละโสยถามณจโชติระโสยถาสัพพิติยวิวัจฉันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีริษานิจจังวุฒาปจายโน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 วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 344ท่าน YouTube พาสุชาติ Live 342ท่าน YouTube d r V 43ท่านวิทยุออนไลน์9ท่าน Club House 5ท่านหนากุธิ200ท่านรวมทั้งหมด943ท่านครับพระจัน เชิญถามได้เลยมีคําถามจากทางหน้ากุฏนะคะข้อแรกค่ะอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลเจ้าคะคือคาว่ากุศลแปลว่าฉลาดอกุศลก็คือไม่ฉลาดการทําสิ่งที่ฉลาดก็จะทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษเช่นการทําบุญนี่เรียกว่าเป็นการกระทําที่ฉลาดเป็นกุศลส่วนการกระทําบาปนี้เป็นการกระทําที่ทําให้เกิดโทษ ก็เป็นการกระทาที่ไม่ฉลาดเรียกว่าอกุศลข้อสองค่ะถามว่าบวชเพื่ออะไรเจ้าคะก็ถ้าบวชตามพระพุทธเจ้าก็บวชเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดบวชเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าบวชตามคนอื่นก็แล้วแต่เขาบวชกันยังไงบางคนบวชตามเพื่อนเพื่อนนีหนีนี่มาบวชก็มีหนีทหารมาบวชนีอะไรมาบวชก็ดี อันนี้ก็แล้วแต่เป้าหมายที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้กับการบวชก็คือบวชเพื่อให้บรรลุมากผลนผิพพานให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดคำถามฝากถามค่ะกรบาบขอการหลวงพ่อเมตตาอธิบายไขยข้อข้องใจเจ้าค่ะว่าวิธีการที่เราจะข้ามความรักความผูกพันกับคนคนหนึ่งได้ยังไงเจ้าคะ ต้องมองความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของค น, น, นคนนั้นว่าคนนั้นเขาเปลี่ยนได้สิ่งที่เปลี่ยนแน่นอนก็คือร่างกายของเขาร่างกายของเขาก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งร่างกายที่หน้าตาสวยงามหล่อเหลาก็จะกลายเป็นหน้าตาที่ไม่น่าไม่น่าดูน่าชมส่วนจิตใจของเขาเขาก็เปลี่ยนได้จิตใจเขาวันนี้เขาอาจจะรักเราพรุ่งนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเราก็ได้ให้มองถึงความไม่แน่นอนอันนี้จัง <st> แล้วอาจจะมีเหตุที่จะทำให้เราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดก็ได้อาจจะมีอุบัติเหตุอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข า, าอาจจะเป็นอะไรไปตายไปก็ได้หรือพิกลพิการไปก็ได้ให้คิดถึงเรื่องที่มันอาจจะที่มันไม่แน่นอนนี้แล้วมันอาจจะทำให้เราไม่อยากจะมีเขาไม่อยากจะรักเขาก็ได้ แล้วก็ข้อที่สองนะคะถามว่าแล้ววิธีตรวจสอบใจเราก้าวข้ามความรักความผูกพันได้อะไรเป็นตัววัดเจ้าคะขอบพระคุณค่ะก็ไม่รักนะแต่ไม่ช่งเฉยเฉยเหมือนกับเราเห็นคนที่เราไม่รักไม่ช่างเราไม่มีความรู้สึกอะไรกับเขาเราก็รู้สึกเฉยเฉยแต่เรามีความเมตตาต่อกันได้มีความห่วงใยกันได้มีความช่วยเหลือกันได้แต่จะไม่มีความรักผูกพันแบบว่ายึดตป็นของเราตัวเราของเรา คำถามจากทางอินบ็อกค่ะกราบขอบความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะพอดีก่อนหน้านี้หนูไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหนึ่งเดือนปกติแล้วขาขวาหนูไม่ได้เป็นอะไรแต่พอหลังจากออกปฏิบัติ เข้าไปอาทิตย์ที่สองรู้สึกว่าขาชาออกจากกรรมฐานแล้วมันก็ยังชาชาตลอดทั้งวันตอนนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วขาหนูก็ยังชาอยู่ไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรคะหรือหนูปฏิบัติผิดไหมคะหนูรู้สึกเป็นกังวลคะ่ะเออไม่ผิดหรอกการปฏิบัตินี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใ ด, ยดร่างกายสามารถเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ดังนั้นถ้ามันถ้ามันเกิดจากการปฏิบัติมันก็ต้องหายหลังจากที่เราหยุดปฏิบัติเ mm hmm. ช่นเรานั่งสมาธิแล้วเด็บชาเกิดขึ้นมาแต่พอเราเลิกนั่งแล้วอาการเด็บชานั้นก็ควรจะหายไป mm hmm. ถ้าไม่หายไปก็แสดงว่าอาจจะมีความบกพร่องทางร่างกาย mm hmm. ก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์ต่อไป คำถามจากทางอินบ็อกค่ะอยากสอบถามเาว่าถ้าเราฟังทำแล้วรู้สึกว่าเราเข้าใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังคงคิดผิดแล้วก็ทาผิดเรื่อยๆเข้าใจว่าจิตเรายังไม่มีปัญญาใช่หรือไม่คะยังไม่เข้าใจยางถูกต้องยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเห็นสิ่งต่างๆเป็นทุกข์แล้วเราก็จะไม่อยากจะได้สิ่งอย่างต่างอันนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญา จากทางอินบ็อกค่ะเวลานั่งสมาธิฟังธรรมที่วัดจิตใจสงบและรู้สึกให้อภัยคนที่ทำร้ายเราแต่พอกลับบ้านมาความโกรธโมโหก็กลับมาอีกอยากทำร้ายเอาคืนทำอย่างไรดีเจ้าคะก็พยายามนั่งบ่อยๆทำจิตให้สงบบ่อยๆแล้วความเมตตา ม, มันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายคำถามฝากถามค่ะ ถ้าเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วก็อธิษฐานว่าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในชาตินี้และชาติก่อนๆช่วยให้เขาพ้นทุกข์การอธิษฐานแบบนี้จะทำให้บุญที่เราสะสมมาลดน้อยลงหรือไม่คะมันไม่ลดน้อยลงหรอกเพราะว่าเราเอาบุญไปช่วยเขาไม่ได้บุญนี้ของใครของมันต้องทำกันเอง ไม่สามารถเอาบุญของพระพุทธเจ้ามาช่วยพวกเราให้พ้นทุกข์ได้ฉันใดเราก็ไม่สามารถเอาบุญกุศลของเราไปช่วยคนอื่นเขาพ้นทุกข์ได้ฉั น, นั้นพระพุทธเจ้าบอกทุกคนต้องเป็นอัตาหิอัตา น, นาโหนเถตนต้องเป็นที่พึ่งของตอนต้องสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาเองคําถามฝากถามค่ะถ้าเราเจ็บป่วยจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่มีคนดูแลการที่เราเลือกให้หมอทำํำ การการุญยาฆาตเราจะมีบาปหนักเสมือนฆ่าตัวตายไหมเจ้าคะเหมือนกันเป็นบาปหนักแต่ถ้าเราปล่อยให้มันตายของมันเองจะไม่บาปก็ปล่อยมันอยู่ไปเราก็แยกตัวเราออกจากมันไปเราก็เข้าสมาธิไปทําใจให้สงบไปปล่อยวางร่างกายไปดูแลมันเท่าที่เราจะดูแลได้ถ้ามันกินได้ก็ให้มันกินถ้ามันดื่มได้ก็ให้มันดื่มถ้ามันกินไม่ได้ดื่มไม่ได้ก็ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มเดี๋ยวมันก็ตายของมันเอง ถ้าตายแบบนี้จะไม่บาปแต่ถ้าไปฉีดยาให้มันตายนี่บาปคำถามจากทาง youtube ค่ะความไม่อยากเกิดถือเป็นกิเลสไหมครับก็ อ, อยู่ที่ว่ามันไม่อยากเกิดเพราะอะไระถ้าไม่อยากเกิดเพราะเห็นว่ามันทุกข์ก็ไม่เป็นกิเลสถ้าไม่อยากเกิดเพราะว่าเกิดมาแล้วผิดหวังก <c oughs> ็ไม่อยากจะเกิดอันนี้ก็เป็นกิเลสจากทางยู u ูบค่ะ ขณะที่ตาเห็นคลิปคนให้ทานจิตเกิดตื้นตันแล้วสติสั่งว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปเองปรากฏว่าจิตตอนนั้นที่ตื้นตันใจมันก็ดับฝ่อลงไปทันทีกลายเป็นอุเบกขาไม่เพลินต่อไปอีกการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับใช่การเห็นนั้นจังเห็นใจรักว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเราไม่ต้องไปยึดติดกับมันให้รู้เฉยๆไปกลับมาอยู่ที่อุเบกขา จากคุณสุกัญญาค่ะกล่าวนมัสการเจ้าค่ะคนหลงกับคนที่สติไม่ดีการหลงทั้งสองเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่ทางแนวเดียวกันตอนต้นก็ต้องขาดสติก่อนพอไม่มีสติมันก็ไม่สามารถแยกแยะเรื่องผิดถูกดีชั่วได้มันก็หลงไปตามความคิดที่ผิดนั่นตอนนี้ยังไม่มีค่ะอืม เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งถ้ามาแล้วก็ว่าถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่ง ไ, ไปให้แล้วเข้ามาหาก็ได้เข้ามาอยู่ ใ, ใกล้ๆก็ได้มีส่งกระดาษเข้ามาจากหน้ากุฏิค่ะกลับนมั ก, การเรียนถามเจ้าค่ะเมื่อนั่งสมาธิพิจารณาลมหายใจเข้าออกและรู้สึกตัวจากศีสษะและตามรู้ทั้งตัว บางขณะจิตจนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วกลับมาตามรู้ลมหายใจใหม่เมื่อรู้สึกสงบสว่างแล้วได้พิจารณาไตายรักแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่ไม่เห็นทุกต้องพิจารณาอย่างไรหรือทําอย่างไรต่อไปคะคือการปฏิบัตินี้มันปฏิบัติผิดคือการปฏิบัตินั่งสมาธินี้เพื่อทําใจให้หยุดให้นิ่งให้สงบ ให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบและมีอุเบกขาวิธีที่จะทำให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิได้นี้ต้องอยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้ไปพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปตามรู้เรื่องราวต่างๆให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกให้รู้เฉยๆไม่ต้องพิจารณาให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกเพื่อหยุดความคิดถ้าเราไปพิจารณามันก็ยังคิดอยู่นั้อย่าไปคิดให้รู้ให้ดูเฉยๆ รือว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าตอนนี้ลมกำลังออกรู้แค่นี้ลมสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาว<ม>เพื่อให้หยุดความคิดให้ได้พวามา่อใจหยุดความคิดแล้วใจจะนิ่งสงบแล้วเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงขึ้นมาอันนี้จะดับความทุกข์ได้ชั่วคราวทุกข์ต่างๆที่เคยเกิดในขณะที่จิตสงบนี้ ม, มันจะหายไปหมดัมน้นต้องรู้จักวิธีปฏิบัติ ระหว่างวิปัสสนากับสมะถะคือสมาธินี้มันปฏิบัติไม่เหมือนกันปฏิบัติสมะถะนี้ต้องการให้ใจนิ่งต้องอยู่กับเรื่องเดียวจุดเดียวแต่ถ้าต้องการสมาธิวิปัสสนาต้องการปัญญาต้องพิจารณาเรื่องเรื่องแต่ละเรื่องให้เห็นว่ามันเป็นตายรักเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นอนิจจงไม่เที่ยง มันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อให้เราปล่อยวางจะได้ไม่ทุกข์กับมันอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาแต่การจะทำเรื่องปัญญาได้นี้ต้องผ่านขั้นสมาธิไปก่อนถ้าใจยังไม่มีสมาธิใจจะไม่มีกำลังที่จะปล่อยวางได้ถึงแม้จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามจากทางยู u ูบค่ะ บารมีสิบกับสมาธิเกี่ยวข้องกันไหมครับแล้วทำไมถึงไม่มีสมาธิบารมีในบารมีสิบครับเรามีแต่เราไม่ได้เรียกสมาธิถ้าเรียกอุเบกขาบารมีอุเบกอเบคขาก็เกิดจากการใจจิตสงบรวมเป็นสมาธินั่นเองพอจิตรวมเป็นสมาธิก็จะมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาจากคุณวิโรธค่ะเรียนท่านเรียนท่านอาจารย์มักเป็นเหตุหรือผลครับ มักก็เป็นเหตุไงผลก็คือเกิดจากตามมาจากมักเช่นเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่ามักพอเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ผลก็คือการบรรลุขั้นอริยบุคคลขั้นต่างๆก็จะปรากฏตามมาต่อไปจากทางยู u ูบค่ะขอากราบสอบถามพระอาจารย์ค่ะเวลาที่หนูอยู่คนเดียวแล้วเวลาไปกราบพระประธานตามวัดต่างๆหนูตั้งใจจะสวดมนต์ให้จบ แต่เมื่อเริ่มนะโมตระยังไม่ดื่มสามจบเลยค่ะปากก็ไม่อยากพูดจิตมันนิ่งพร้อมที่จะเข้าสมาธิตลอดเวลาพยายามที่จะบังคับให้ตัวเองสวดมนต์ให้จบแล้วค่อยนั่งสมาธิต่อ แต่จิตมันนิ่งแล้วไม่อยากพูดอะไรไม่อยากรับรู้อะไรเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วค่ะเพียงแค่อยากนั่งสมาธิอย่างเดียวและเมื่อนั่งเสร็จหนูก็ไม่อยากพูดกับใครเลยอยากอยู่คนเดียวเงียบๆแค่ไม่อยากรับรู้อะไรทางโลกอีกเลยบางทีก็อยากจะหายตัวไปจากทางโลกเลยค่ะไม่ทราบว่าผิดปกติหรือไม่เจ้าค้าหลวงพ่อไม่ผิดหรอกเพราะว่าจิตเราเข้าสู่ความสงบมันก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับใคร เนะ่ยน่าไม่จําเป็นจะต้องสวดไปตลอดถ้าสวดไปแล้วพอจิตไม่อยากจะสวดจิตจะนิ่งเฉยๆก็ป่อยมันนิ่งไปเพราะเป้าหมายของการสวดของการนั่งสมาธิก็เพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องการไปหาความสุขจากผู้อื่นต่อไปแเราก็เลยจะไม่ค่อยอยากจะพบปะใครพอเราพบปะใครแล้วมันไม่สุขเหมือนกับตอนที่เราอยู่คนเดียวจะคุณศิริวิทย์ค่ะ ความสุขที่ได้จากความสงบดีกว่าการเป็นเศรษฐีอย่างไรครับพระอาจารย์ก็มันสุขมากกว่ากันเนี่ยแล้วมันสุขยั่งยืนกว่าแล้วก็ไม่มีความทุกข์ความกังวลเป็นเศรษฐีนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความทุกข์ความกังวลก็ต้องคอยกังวลอยู่กับเรื่องเงินที่มีอยู่ว่ามันจะขึ้นหรือจะลงทุกวันต้องติดตามดูหุ้นดูดอกเบี้ยพอขึ้นปั๊บเนี่ยโอ้ดีใจพอตกลงมาปั๊บก็เสียใจกังวลใจขึ้นมา แต่ความสุขจากความสงบนี้ไม่มีความทุกข์ตามมาและเป็นความสุขที่เราสามารถควบคุมบางครั้งให้อยู่กับเราไปได้ตลอดความสุขจากทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองนี้มีวันเสื่อมจากเราไปได้เวลามันเสื่อมแล้วมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งจากคุณพีพีค่ะกราบอาจารย์ค่ะมัดมีองค์งแปดใช่หนทางดับทุกข์ไหมคะมีอะไรบ้างเจ้าคะ เราไปเปิดดูกูก็ว่าละกันจำไม่ค่อยได้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงํำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด